ที่ทางวัดยาณสังวรารามได้กำหนดไว้เป็นวันทาบุญเพื่อแผ่นดินไทยได้นิมนต์พระสงฆ์มารับสังฆทานเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบรุษผู้ก่อร่มสร้างประเทศและปกป้องรักษาประเทศให้พวกเรา ได้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขท่านผู้ที่ต้องต่อสู้และเสียชีวิตไปในการรักษาอธิปไตยในการรักษาอิสราภาพของประเทศชาติจึงถือว่าเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งต่อปวงชนชาวไทยทาวันจึงได้จัดวันถวายสังฆทานเพื่อแผ่นดินไทย ในวันอาทิตย์ที่สองของเดือนม ก, กราคมทุกๆปีปีนี้ก็ตรงกับวันที่ส0ม ก, กราคม2553ก็คือวันนี้ญาติพี่น้องทั้งหลายผู้มีจิตสำนึกในพระคุณของบรรพบุรุษทั้งหลายจึงได้ตั้งใจมาทำบุญอุทิศส่วนบุ ญ, ส, บญส่วนกุศล ให้แก่ผู้ที่มีพระคุณต่อประเทศชาติถ้าหากเขายังต้องเวียนว่ายัยงต้องยังต้องเอาสัยบุญอุทิศส่วนนี้อยู่เขาก็จะได้รับบุญส่วนนี้ไปถ้าเขาได้ไปเกิดในสุคติบุญอุทิศส่วนนี้ก็ไม่จำเป็นสำหรับเขาเพราะเขามีบุญมากกว่าบุญที่อุทิศนี้หลายร้อยเท่าด้วยกัน บุญอุทิศนี้มีไว้สำหรับผู้ที่ยังเป็นสัมภเวสีอยู่ยังไม่ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ยังไม่ได้ไปเกิดเป็นเทพหรือเกิดเป็นเดราชฉานยังต้องอาศัยส่วนบุญนี้อยู่พราะสัมภเวสีนี้เปรียบเหมือนกับขอทานทางจิตวิญญาณไม่มีเงินไม่มีทองคือไม่มีบุญพอที่จะพา ให้ไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพได้ก็เลยต้องอาศัยบุญอุทิศส่วนนี้มาเหมือนกับให้เป็นค่ารถพอได้บุญอุทิศส่วนนี้แล้วก็มีค่ารถที่จะพาให้ไปเกิดในภพที่ดีได้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ได้มาร่วมบุญร่วมกรรมกับพวกเรากันใหม่ นี่คือเรื่องของการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลซึ่งเป็นการกระทาที่ดีสำหรับผู้ที่มีชีวิตอยู่เพราะจะได้บุญสองส่วนด้วยกันบุญที่เกิดจากการให้ทานนี่ก็เป็นบุญส่วนหนึ่งและบุญที่เกิดจากการอุทิศบุญก็เป็นบุญอีกส่วนหนึ่งทำให้ได้สองต่อด้วยกันยิงนก ครั้งเดียวกระสุนลูกเดียวได้นกสองตัวถ้าทำบุญทําบุญแล้วไม่อุทิศบุญไปก็จะได้นกตัวเดียวการอุทิศนี้ก็สามารถอุทิศแบบเจาะจงก็ได้เช่นอุทิศให้กับคนนั้นคนนี้ที่เราเคารพที่มีพระคุณกับเราเช่นบิดามารดาปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์หรือจะ อุทิศแบบโรงมิตรก็ได้หมายถึงใครก็ได้ที่รอรับส่วนบุญส่วนกุศลนี้อยู่ก็ขอให้รับไปได้ถ้าเราไม่อุทิศบุญนี้เขาก็ไม่สามารถรับได้แต่าการอุทิศบุญนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีน้ําเป็นการอุทิศน้ํานี้เป็นเพียงสั ญ, ญลักษณ์ หรือเป็นตัวแทนของบุญคือน้ำใจที่มีอยู่ในใจของเรานี้ต่างหากการอุทิศบุญนั้นจึงอุทิศได้สองลักษณะอุทิศเปียกกับอุทิศแห้งก็ได้คือถ้าไม่มีน้ำก็ไม่จาเป็นเราสามารถอุทิศบุญได้ด้วยจิตของเราเราตั้งจิตอธิษฐานลำลึกถึงบุคคลที่เราปรารถนาะที่จะให้เขาได้รับบุญ บุญก็จะถึงเขาแล้วน้ำนี้มีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่สำคัญอะไรแต่ถ้าจะใช้น้ำก็ควรจะทำให้ถูกประเพณีคือน้ำนี้แถวจะให้เทเริ่มกรวดน้ำเริ่มเทตอนที่พระตั้งยะถาพอท่านตั้งยะถาปะยาท่งถึงสักพี ก็ให้หยุดเทน้ำคือมีน้ำทั้งหมดเท่าไหร่หก็เทให้หมดแล้วพอพระท่านเริ่มสวดสัพพีเราก็พนมมือเพราะการสวดสัพพีนี้เป็นการให้พรส่วนการตั้งยะฐานี้เป็นการอุทิศ ส, ส่วนบุญให้แก่ผู้ร่วงลับไปดังที่มีคำพูดว่า <c oughs> ยะฐาให้ผีสัพพีให้คน ยาถาแปลว่าอุทิศบุญส่วนนี้ให้แก่ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วพอท่านเสร็จจากยาถาพอเริ่มสวดสัพพีเราก็พนมมือรับพรต่อไปเพราะพระท่านจะให้พรผู้ที่ทำบุญด้วยญาติโยมและก็อุทิศบุญให้แก่ผู้ที่ร่วงลับไปด้วยดังนั้นก็ต้องทำให้ถูกวิธีเวลายาถาก็ให้กรวดน้ำ พอพระเริ่มสวดแล้วก็เทน้ำให้หมดแล้วก็พนมมือรับพรต่อไปเวลาเทน้ำก็ไม่ต้องเอานิ้วไปลองรับน้ำให้เทน้ำลงไปในภาชนะเฉยๆเพราะว่ามันม น, น, นิ้วของเรานี้ไม่เกี่ยวอะไรกับการกับการอุทิศบุญแต่อย่างใดสำคัญที่ใจเราขอให้มีสติตั้งมั่น ให้เราเลกถึงบุคคลที่เราตั้งใจที่จะกลวดน้นให้แล้วจะได้ไปถึงผู้ที่รอรับอยู่ถ้าใจไม่มีสติตั้งมั่นกวดน้ำไปแล้วไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะอาจจะไปไม่ถึงก็ได้เพราะใจต้องมีสมาธิมีความตั้งมั่นต่อบุคคลที่เราปรารถนาที่จะอุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนกุศลให้ นี่ก็คือเรื่องของการอุทิศให้แก่ขอทานทางจิตวิญญาณซึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้ถ้าในขณะที่มีชีวิตอยู่ยังตั้งอยู่ในความประมาทคือไม่ขวนขวายไม่รีบทำบุญทำกุศลไว้ก่อนแล้วอาจจะตายไปกะทันหันยังไม่ทันได้ทำบุญพอเพียงก็จะตายไปก่อน เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดโครคภัยไข้เจ็บขึ้นมาที่ไม่คาดฝันแล้วต้องตายไปบุญที่จะมีติดตัวไปเลยไม่มีก็เลยต้องไปแบบขอทานพระพุทธเจ้าจึง ส, งสอนให้สาธุชนพุทธบริษั์นั้นอย่าตั้งอยู่ในความประมาจงอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้เรารีบทําบุญให้เราหมั่นทำบุญอยู่เสมอ การทำบุญนี้ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าให้คนที่จะใกล้าตายแล้วค่อยทําให้คนแก่คนเจ็บไข้ได้ป่วยทําแต่ให้คนทําตั้งแต่หนุ่มตั้งแต่สาวเลยหรือละหรือตั้งแต่เด็กเล็กมาเลยยิ่งดีใหญ่เพราะจะได้ติดเป็นนิสัยไปเช่นพ่อแม่พาลูกหลานมาทําบุญอยู่เป็นประจำประจำลูกหลานก็จะติดนิสัยทําบุญพอโตขึ้นก็จะทํา ทำไปต่อได้ถ้าได้ทำบุญอย่างต่อเนื่องแล้วบุญอุทิศนี้ก็จะไม่จำเป็นเพราะจะมีสเสบียงพอเพียงมีบุญมีกุศลมีทรัพย์ภายในที่จะคอยดูแลดวงจิตดวงใจให้ได้ไปเกิดในสุขติยกเว้นว่าไปทำบาปทำกรรมก็ต้องไปใช้เวรใช้กรรมในอบายก่อน แต่ถ้าไม่ได้ทำบาปทำกรรมเลยทำแต่บุญพอตายไปก็จะได้ไปสู่สุคติเลยสุคตินี้ก็มีตั้งแต่ภพของมนุษย์ของเทพของพรหมและของพระอริยเาจ้าทั้งหลายไปด้วยบุญส่วนบาปนี้ก็จะพาให้ไปสู่อบายให้ไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตไปตกนรกเมื่อบดเมื่อใช้กรรมบดแล้ว ถึงจะได้กลับมารับบุญที่เคยทำไว้มีมากมีน้อยก็จะได้กลับมานับบุญส่วนนั้นด้วยการมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี่คือเรื่องของดวงจิตดวงใจหรือดวงวิญญาณของพวกเราทุกคนพวกเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายนี้เป็นเหมือนรถยนต์พวกเราเป็นเหมือนคนขับรถยนต์ร่างกายนี้เมื่อมันตายไป คนขับก็ลงจากรถออกจากรถแล้วก็ไปหารถคันใหม่ขึ้นอยู่ว่าได้มีบุญมากน้อยเพียงไรถ้าทำบุญมากก็จะได้รถคันใหม่ที่สวยกว่าเก่าที่ดีกว่าเก่าถ้าทำบุญน้อยก็จะได้รถที่ไม่ค่อยดีเท่าเดิมถ้าทำบาป ก, ก็ต้องไปติดคุกติดตารางไปใช้ไปใช้เวรใช้กรรมก่อนไม่เกิดเป็นเดรัจฉานมั่ง ไปตกนโรกบ้างไปเป็นเปรตบ้างนี่คือเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกทั้งหลายเช่นพวกเราพวกเรานี้เวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆมานับไม่ถ้วนแล้วและความทุกข์ที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดคือเกิดจากการแก่การเจ็บการตายการสูญเสียการพลาดพลาดจากสิ่งต่างๆนั้น น้ำตาที่เราหลั่งนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าถ้าเอาของทุกภพทุกชาติมารวมกันแล้วจะมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรเสียอีกคิดดูก็แล้วกันว่าภพชาติของเรานี้จะมีจำนวนมากเพียงไรถึงจะสามารถหลั่งน้ำตาได้มากกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นแหละคือภพชาติของพวกเราที่ยังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ และยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอกีกอย่างไม่มีสุดสิ้นถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงเห็นทางที่จะหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้มีพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่ได้ค้นพบทางที่จะพาให้ดวงจิต ด, ดวงวิญญาณนี้ ไม่ต้องกลับไปเวียนว่ายตายเกิดอีกถึงแม้จะได้ทาบาป ท, ทำกรรมมามากน้อยเพียงไรก็ไม่ต้องกลับไปใช้กรรมอีกต่อไปถ้าเดินตามทางที่พระพุทธเจ้าสงสอนให้เดินคือทางเพื่อการเพื่อสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าเราจะไม่มีทางเลยที่จะรู้ได้ว่า มีทางที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หรือรู้เลยว่าเรากำลังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่พวกเรานี้ไม่มีทางจะรู้กันได้ส่วนใหญ่เราจะคิดว่าพอร่างกายนี้ตายไปแล้วเราก็จบชีวิตเราก็ศูนย์ทุกอย่างก็หมดไปทำบาป ท, ทาบุญทากรรมอย่างไรก็ไม่มีผลตามมา เราเห็นเพียงครึ่งเดียวของร่างของชีวิตเราก็คือเราเห็นเพียงแต่ร่างกายแต่เราไม่เห็นใจเห็นดวงวิญญาณของเราผู้ที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญกว่าร่างกายผู้ที่เป็นเจ้านายของร่างกายผู้ที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆอย่างวันนี้ญาติโยมมาวัดนี้ไม่ได้มาเพราะร่างกายมาเพราะใจใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายมา ใจคิดความคิดนี้เป็นเป็นการทำงานของใจใจจะทำอะไรใจต้องใช้ความคิดว่าจะทำอะไรแล้วเมื่อคิดแล้วก็จะสั่งไปที่ร่างกายให้กระทำตามคำสั่งเช่นสั่งให้ไปเตรียมซื้อข้าวของเอาไว้สั่งให้ตื่นขึ้นในตอนเช้าสั่งให้แต่งเนื้อแต่งตัวอาบน้าอาบท่า แล้วก็ออกเดินทางมาวัดนำอาหารขาวหวานต่างๆมาเหล่านี้เป็นการกระทาของใจทั้งสิ้นใจเป็นผู้กระทําแล้วใจก็เป็นผู้รับผลของการกระทําถ้าใจคิดดีใจก็จะพูดดีทำดีแล้วผลก็จะเป็นความสุขความสบายใจตามมาอย่างวันนี้ญาโยมมาวัดก็มาด้วยความสุขด้วยความสบายใจ ไม่วุ่นวายใจไม่ทุกข์ไม่กังวลกับเรื่องนั้นกับเรื่องนี้เพราะใจไม่มีเวลาไปคิดกับเรื่องต่างๆเพราะมัวแต่มาคิดกับเรื่องมาทำบุญ<ม>ก็เลยทำให้ใจสบายใจมีความสุขความสุขความทุกข์นี้เกิดจากความคิดของใจไม่ได้เกิดจากใครทั้งนั้นไม่มีใครทำให้เราทุกข์ได้ไม่มีใครทำให้เราสุขได้มีแต่ใจของเราเท่านั้นที่คิด ไปในทางที่ไม่ดีก็ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าคิดไปในทางที่ดีก็จะเกิดความสุขขึ้นมาถ้าเราคิดไปทางความโลภความโกรธใจของเราก็จะวุ่นวายใจขึ้นมาทันทีจา ก, กระสับกระสายกระวลกระวายเช่นพออยากจะได้อะไรนี้ก็อยู่ไม่เป็นสุขแล้วต้องคอยติดตามตลอดเวลาถึงข่าวขาวว่าจะได้ ตามที่อยากได้หรือไม่เช่นอยากจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งก็คอยไปติดตามหรือว่าเรื่องไปถึงไหนแล้วเขาส่งไปถึงไหนแล้วได้รับอนุมัติหรื อ, อยังยินไม่ได้นอนไม่หลับกังวลกวายอยู่ตลอดเวลาหรือถ้าเป็นวันออกลอตเตอรี่ก็นั่งคอยฟังผลของการออกลอตเตอรี่จะไปทำงานทำการก็ทำไม่ค่อยได้เต็มที่พ่อมัวคอยมาห่วง กับผลของลอตเตอรี่ว่าจะออกมาตามที่ซื้อไวหรือไม่นี่เลยทำให้ใจไม่มีความสุขแล้วยิ่งถ้าไม่ได้ถูกยิ่งเสียใจใหญ่พอออกมาแล้วไม่ตรงกับที่เราซื้อไว้ก็เสียใจพอไม่ได้ตำแหน่งที่เราอยากจะได้ก็เสียใจนี่เป็นผลที่เกิดจากความโลภความอยากที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเป็นอันตรายก่อ กับจิตใจของเรามันไม่เป็นประโยชน์แลยใจของเราไม่ต้องเป็นอะไรก็ได้มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องเป็นนายพันนายพลเป็นคนธรรมดาสามาัญนี้ก็มีความสุขและจะมีความสุขมากกว่าคนที่มีความอยากคนที่เป็นเป็นนายพลแล้วอยากจะเป็นนายนายอะไรต่อไปจะไม่มีความสุขเหมือนกับคนที่ไม่ได้เป็นอะไร แต่ไม่ได้อยากเป็นความไม่อยากนี่แหละเป็นความสุขทำให้จิตใจมีความสงบไม่ต้องเสียใจไม่ได้ก็ไม่เสียใจเพราะไม่ได้คิดอยากได้อะไรนั่นเองดังนั้นเราจึงหัดควรจะหัดคิดให้ถูกคิดให้คิดให้ใจสบายวิธีคิดให้ใจสบายก็คืออย่าไปอยากได้อะไรอย่าไปอยากมีอะไรอย่าไปอยากเป็นอะไร แล้วใจของเราจะสบายใจแต่พอเราอยากมีอยากเป็นขึ้นมาแล้วก็จะวุ่นวายใจขึ้นมาทันทีวุ่นวายทั้งในขณะที่ยังไม่ได้มาพอได้มาก็วุ่นวายแบบนึงต้องมาคอยหวงคอยห่วงคอยดูแลรักษาคอยป้องกันกลัวคนอื่นจะมาแย่งไปกลัวจะถูกย้ายได้ตําแหน่งที่ดีก็กลัวเดี๋ยวจะถูกย้ายไปไป ไปตำแหน่งที่ไม่ดีใจก็วุ่นวายกระสับกระส่ายกังวลกังวายแต่ถ้าทำใจให้เฉยๆได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีอย่างนี้ก็จะสบายใจเขาจะแต่งตั้งให้เป็นอะไรก็ปล่อยเขาตั้งไปเขาจะโยกย้ายเราไปทำที่นั่นที่นี่ก็ปล่อยให้เขาโยกย้ายไปเราไปได้ทุกผนทุกแห่งเราเป็นได้ทุกอย่างอย่างนี้แล้วใจของเราจะสบายตลอดเวลานี่คือการ การคิดที่จะทำให้ใจของเราสบายเราต้องคิดแบบสันโดษคือยินดีตามมีตามเกิดได้อะไรมาก็ให้พอใจกับสิ่งที่ได้มามีอะไรก็ให้พอใจกับสิ่งที่มีรับรองเราจะไม่มีความทุกข์เลยกับเรื่องต่างๆทุกวันนี้ความทุกข์ของเราเกิดจากความจูจ้จี้จุกจิกของเราเองได้อะไรมาก็ไม่ค่อยพอใจ หรือถ้าพอใจก็พอใจเดี๋ยวเดียวแล้วก็อยากจะได้ของใหม่ขึ้นมาแล้วเช่นพอได้เป็นนายร้อยทีนี้ก็อยากจะเป็นนายพันขึ้นมาแล้วตอนต้นก็อยากจะเป็นนายร้อยพอได้นายร้อยแล้วทีนี้นายร้อยก็ไม่มีความหมายแล้วทีนี้ต้องเป็นนายพันถึงจะมีความหมายพอได้นายพันก็ต้องอยากจะเป็นนายพลมันก็ต้องตะเกียบตะกายวุ่นวายไปไม่รู้จักจบจากสิ้น แต่ถ้าเราทำใจเฉยๆได้หน่ร้อยก็ดีไม่ได้ก็ดีเรามีหน้าที่ทำงานของเราเราก็ทำให้สุดฝีมือทำให้เต็มที่ทำให้มีผลงานเดี๋ยวเจ้านายเขาก็เห็นใจเราเองเขาก็จะเลื่อนตำแหน่งให้เราเองเราก็ไม่ต้องวุ่นวายใจเขาไม่เลื่อนเราก็ไม่วุ่นวายใจนี่ล่ะคือเรื่องของใจเป็นอย่างนี้ใจไม่จำเป็นจะต้องมีอะไรไม่ต้องเป็นอะไร แม้แต่ไม่มีร่างกายนี้ใจก็ยังอยู่ได้เ <c oughs> ช่นเวลาตายไปใจก็ยังอยู่ใจก็ยังไม่ตายใจก็อยู่กับบุญหรือบาปเท่านั้นเองถ้าอยู่กับบุญก็จะก็จะไปดีก็จะไปอย่างสุขอย่างสบายถ้าอยู่กับบาปก็จะวุ่นวายใจจะทุกข์ทรมานใจดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราให้ความสำคัญกับใจ ยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้มันไม่ได้เป็นของเราที่แท้จริงได้อะไรมามีอะไรอยู่สักวันหนึ่งก็ต้องหมดไปร่างกายของเรานี้ยังต้องหมดไปเลยเรานับประสาอะไรกับของภายนอกร่างกายเช่นสมบัติเข้าของเงินทองตำแหน่งต่างๆหรือบุคคลต่างๆบริษัทบริวารบุตรธิดาสามีภรรยา ของเหล่านี้ไม่ได้เป็นของเราทั้งสิ้นสักวันหนึ่งเขาก็ต้องจากเราไปหรือเราต้องจากเขาไปแต่สิ่งที่เป็นของเราที่จะอยู่กับเราตลอดก็คือใจของเรานี่เองแต่เรากลับไม่ค่อยให้ความสำคัญกับใจของเราเราไม่ค่อยดูแลไม่ค่อยอบรมใจของเราให้คิดไปในทางทํานองครองธรรมให้คิดไปตามทางที่พระพุทธเจ้าทรงคิด เรากับคิดตรงกันข้ามกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านคิดสละราชสมบัติพวกเรากับคิดอยากจะได้สมบัติเข้าของเงินทองพวกเราเดินเข้าหากองทุกข์กันส่วนพระพุทธเจ้าทรงเดินออกเดินหนีจากกองทุกข์กันเพราะพระพุทธเจ้าทรงเห็นราชสมบัติว่าเป็นกองทุกข์นั่นเองอยู่กับสมบัติเข้าของเงินทองแล่านี้มันวุ่นวายใจ มันเดือดร้อนมันกังวลใจอยู่ตลอดเวลาเพราะจะต้องมีคนคอยมาแก่งแย่งเอาไปให้ได้ไม่ได้ด้วยวิธีใดนึ่งก็ต้องเอาอีกวิธีหนึ่งเราก็ต้องคอยเป็นยาคอยดูแลคอยรักษากินไม่ได้นอนไม่หลับคนที่มีสมบัติมากๆนี้ไม่ค่อยมีความสบายใจไม่ค่อยมีความสุขใจมีความเป็นห่วงมีความกังวลอยู่ตลอดเวลา ถ้าสังเกตดูเราจะเห็นแต่ถ้าเราไม่สังเกตเราจะไม่รู้พอเราไม่สบายใจเราก็เอาเงินนี่มากบมันไม่สบายใจก็ไปซื้อเหล้ามาเดินไปดูหนังไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เพื่อให้มันหายไม่สบายใจแต่พอกลับมาแล้วพ อ, พอหายเมาแล้วมันก็กลับมาใหม่ความกังวลใจต่างๆมันก็กลับมาใหม่พระพุทธเจ้าทรง ดูใจของพระ อ, องค์อยู่ตลอดเวลายังรู้ว่าถ้าอยากจะมีความสุขแล้วต้องหนีออกจากวังต้องหนีจากสมบัติต่างๆต้องไปอยู่แบบขอทานอยู่แบบไม่มีอะไรเพราะเมื่อไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรที่จะต้องมาหวงมาหวงมากังวลใจก็อยู่อย่างสบายเวลาไม่มีสมบัติอยู่ในป่าในเขาก็ไม่มีใครเข้ามาป้นมาจี้เรา เพราะไม่มีอะไรจะให้เขาปนให้เขาจี้นั่นเองแต่ถ้าเรามีสมบัติต่อให้มียามรักษาตลอด24ชั่วโมงมันก็จะมีคนมาพยายามปนมาพยายามจี้เอาไปให้ได้เพราะสมบัตินี้และเป็นเหตุของความทุกข์ใจถ้าพวกเราอยากจะมีความสุขใจสบายใจก็อย่ามีสมบัติมากมีพออยู่พอกินก็พอ แล้วก็เอาสมบัติที่เหลือกินนี่เอามาเปลี่ยนเป็นบุญจะดีกว่าเวลาทำบุญแล้วใจจะมีรั์ภายในคอยดูแลใจให้อยู่อย่างอิ่มหนำสำราญเวลาเดินทางไปสู่พบใหม่ก็จะไปอย่างเศรษฐีไม่ได้ไปแบบขอทานไปไปเกิดใหม่ก็ไปร่ำไปรวยใหม่โดยที่ไม่ต้องไปหาเงินหาทอง ไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีบ้างไปเกิดเป็นลูกของคนที่มีฐานะการเงินการทองที่ดีนี่เป็นอนิสงค์ของบุญที่จะเกิดขึ้นถ้าเราทำบุญอยู่เรื่อยๆถ้าเรามีเงินทองเหลือใช้อย่าหวงเก็บเอาไว้เพราะอยู่ก็ไม่ได้ใช้ตายไปก็ไม่เอาไปไม่ได้กลายเป็นของคนอื่นไป ทำบุญแทบตายแล้วก็เป็นของคนอื่นไปอย่างนี้เรียกว่าเฉลาดหรือโง่กันแน่คนเฉลาศต้องคิดแบบพระพุทธเจ้าถ้ายังไม่ทําแบบพระพุทธเจ้าได้ก็ทําสักครึ่งหนึ่งก็ยังดีถ้ายังต้องการมีสมบัติอยู่ก็อย่ามีมากจนเกินไปขอให้มีพอให้เราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่เดือดร้อน ก, กับกับการใช้จ่ายก็พอแล้ว ส่วนที่เหลือก็เอามาทําบุญเพื่อเป็นสเสบียงที่จะพาเราไปสู่พบหน้าชาติหน้าแล้วถ้าเรามีปัญญา mm hmm. เห็นว่าทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี้มันเป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขสักวันหนึ่งเราก็จะออกบวชตามพระพุทธเจ้าได้เราจะเห็นว่าเป็นนักบวชนี้มีความสุขกว่า รักษาศีลได้นี่มีความสุขกว่าเพราะเวลารักษาศีลได้แล้วทำให้ใจเราสบายเวลาเราไม่ได้ไปทำผิดนี้เราจะไม่รู้สึกหวาดกลัวเราจะไม่วิตกกังวลแต่คนที่ทำอะไรผิดแล้วนี่จะต้องหวาดกลัวจะต้องกังวลกลัวจะถูกจับไปลงโทษแต่คนที่ไม่ได้ทำผิดนี้จะอยู่อย่างสบายใจจะไม่หวาด ไม่หวั่นไหวกับอะไรทั้งนั้นแล้วถ้าได้รักษาศีลแล้วเราได้ไปปฏิบัติทำต่อในนั่งสมาธิทาจิตใจให้สงบใจก็ยิ่งจะมีความสุขใหญ่เพราะเวลาจิตสงบนี้จิตจะปล่อยวางทุกอย่างจะลืมจะลืมเรื่องราวต่างๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องภายนอกร่างกายเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้หรือเรื่องของร่างกายเองก็จะ ไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับใจเวลาใจที่สงบร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยจะเป็นอย่างไรตอนนั้นจะไม่มารบกวนใจใจจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายนี่เป็นอนิสงส์ของการทําจิตให้สงบทําสมาธิใจจะหายจากความวิตกกังวลหายจากความหวาดกลัวหายจากความวุว่นวายจากเรื่องราวต่างๆแต่จะสงบได้ไม่นาน พอพอหมดกำลังของสมาธิใจก็จะถอนกลับออกมาแล้วก็กลับมารู้เรื่องราวต่างๆรู้เรื่องราวของร่างกายถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมาวิตกกังวลกับเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าญาติพี่น้องเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปกังวลกับการเจ็บไข้ได้ป่วยของญาติพี่น้องถ้ามีปัญหาอะไรก็จะมากังวลกับปัญหาต่างๆต่อ วิธีที่จะตัดความกังวลตัดความวุ่นวายใจได้โดยที่ไม่ต้องใช้สมาธิก็คือต้องใช้ปัญญาใช้ปัญญามาตัดใช้ปัญญาให้พิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราให้คิดอย่างนี้แล้วอะไรจะไปก็ให้เขาไปไม่มีใครอยู่ไปได้ตลอดคนเราทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทั้งนั้น สมบัติเข้าของเงินทองทั้งหลายก็ไม่ได้เป็นสมบัติที่แท้จริงของเราสักวันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งเขาไว้เราเวลาเราตายไปเราก็ต้องทิ้งสมบัติต่างๆไว้หรือเขาอาจจะจากไปก่อนที่เราไปก็ได้เพราะมันไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะปล่อยวางได้เราก็จะตัดได้จะมีปัญหาเกี่ยวกับสมบัติเข้าของเงินทอง ยังมีคนนั่นมาแย่งไปมีคนนี้จะฟ้องเ อ, เอาคืนไปเราก็ปล่อยให้เขาทำไปเรามีหน้าที่ไ ป, ไปอะไรไปตอบโต้ไปแก้ไปแก้ในศาลเราก็ไปแก้ไปไปแก้ความในศาลเราก็ไปถ้าเขาชนะก็ให้เขาไปถ้าเขาไม่ชนะก็แสดงว่ายังเป็นของเราอยู่มันก็จะอยู่กับเราต่อไปเราไม่ต้องกังวลกับเรื่องอะไรเพราะถ้าเราตรงได้เราตัดได้ ปัญหาต่างๆทั้งหมดนี้จะไม่เป็นปัญหาเลยปัญหาที่มันเป็นอยู่กับพวกเราทุกวันนี้เพราะเราตรงไม่ได้เราตัดไม่ได้เรายอมรับความจริงที่จะเกิดขึ้นไม่ได้เช่นเรายอมรับไม่ได้ว่าอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดแต่ถ้าเรายอมรับได้ว่าอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดแล้วรับรองได้ว่าเราจะไม่ทุกข์เลยเช่นเราห่วงแฟนของเรากลัวจะหนีจากเราไปอย่างนี้เป็นต้น เราอย่าไปคิดอย่างนั้นเราคิดว่าถ้าเขาจะอยู่กับเราก็ให้เขาอยู่ถ้าเขาจะไปก็ให้เขาไปเมื่อก่อนนี้เราไม่มีแฟนเราก็อยู่ได้ทำไมเวลาเขาไปแล้วทำไมเราจะอยู่ไม่ได้แล้วก็โลกนี้ก็ไม่ใช่มีเขาเป็นคนเดียวเท่านั้นเองมีคนเป็นล้านคนเลือกใหม่หาใหม่ก็ได้คนนี้ไปก็หาคนใหม่ก็ได้เราต้องคิดแบบนี้คิดแบบปล่อยวางยอมรับความจริง อะไรจะเกิดก็เกิดเราไม่สามารถที่ไปยับยั้งมันได้เหมือนกับเราไปห้ามฝนฟ้าไม่ให้ตกได้ฝนมันจะตกเราก็ห้ามมันไม่ได้เราจึงไม่ค่อยเดือดร้อนกับเรื่องฝนเท่าไหร่เพราะเราปล่อยวางฝนจะตกเราก็ปล่อยให้มันตกแล้วทำไมเรื่องอื่นทำไมเราปล่อยไม่ได้เราปล่อยได้ถ้าเราคิดเป็นแคหน่อยถ้าเราคิดว่าปล่อยแล้วสบายกว่าไม่ปล่อยเราไม่ปล่อยแล้วมันจะทุกข์ทรมานใจ นี่คือการใช้ปัญญาเพื่อมาตัดมระนับความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆถ้าเราสามารถคิดอย่างนี้ได้ตลอดเวลาเราจะไม่มีความทุกข์ภายในใจเลยนี่คือเป้าหมายที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พวกเรากระทำกันให้ปฏิบัติกันให้คิดแบบนี้แล้วเราจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไปตลอดและเราจะไม่ต้องไปเกิดใหม่อีกต่อไปเพราะเราไม่มีความอยากกับอะไรทั้งสิ้น ความอยากนี้พาให้เราไปเกิดพอเราไม่อยากเราปล่อยให้เป็นไปอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะเป็นก็เป็นพอร่างกายนี้ตายไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปเกิดใหม่ต่อไปแต่เราไม่ได้หายไปไหนเราก็อยู่กับใจนี้แหละอยู่กับใจที่มีความสุขที่เรียกว่าปรมังสุขขังไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดดีกว่าต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ ต้องมาร้องหยร้องไห้ไม่รู้จักจบจากสิ้นนี่คือเรื่องของการมาทำบุญเป็นอย่างนี้นอกจากทานแล้วพระพุทธเจ้าส อ, สอนให้เรารักษาศีลแล้วก็ให้ปฏิบัติธรรมให้นั่งสมาธิให้เจริญปัญญาเพราะนี่คือทางที่จะพาให้เราออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองพาที่จะพาให้เราไปสู่ความปลอดภัยที่สงบ ที่สบายที่สุขตลอดอนันตการจึงขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาเรื่องที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ใปพินิษ์พิจรารณาและปฏิบัติตามสมควรแก่กำลังแห่งสติปัญญาศรัทธาของท่านเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยึิไว้เพียงเท่านี้